ตอนสังโยชน์สิบก็กลาบวในมาสการก็คุณเจ้าสามเณรคุณไมชีกัลยาณมิตรทุกคนก็นั่งสบายสบายเนาะวันนี้พระครูถือมาปุ้งหนึ่งเพราะเป็นหนี้เก่าคำถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องสังโยชน์สิบจริงๆแล้วเรารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะ แต่ก็มีอะไรเอ่ยขึ้นมาแล้วพอกูต้องทําการบ้านวันนี้ไม่ได้แสดงทำเรามาพูดเรื่องวิชาการเป็นความรู้ประกอบนะประกอบโดยเฉพาะนเะวีศาสตร์ที่นี่ก็มีแจะได้รู้ที่มาที่ไปนะจริงๆแล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมรู้แค่หลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจริงๆแล้วแค่นี้พอแล้วแล้วก็ปฏิบัติเยอะ นะส่วนธรรมะย่อยๆนั้นนะรู้ก็ได้ไม่รู้ปิดงบไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องรู้ก็ให้ทําประโยชน์คือเป็นแนวทางนะโดยวชวนาวิยาศาสตร์เขาจะหาที่มาที่ไปนะเขาหาเหตุ เ, เขาเขาเขาโทษต้องค้นคว้านะแต่ทีนี้มันก็มีประโยชน์แต่มันก็มีโทษเพราะเราจะเสียเวลามากกับเรื่องไ ม, ไม่ไม่จําเป็น ก็วันนี้ก็นั่งทำการบ้างไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญญาเป็นความรู้ทางวิชาการเป็นภาษาบาลีแล้วก็เขาก็แปลเป็นภาษาไทยส่วนแปลถูกแปลผิดนั้นนะเราก็ไม่ต้องไปแปลต่อเราก็แปลมาเอามาให้ฟังแล้วพ่อคูจะชี้ให้เห็นบ้างนะพอสมควรก็ ช่วงแรกก็เป็นเรื่องวิชาการเรื่องสัญยักษณ์สิทุกคนก็ฟังเน่ไหนก็ต้องเสียเวลาแล้วล้วก็ฟังมันเป็นการถ้าใครบอกว่าฉันไม่มีทั้งสิบข้อนี้เราก็คงเป็นผ้าลรหันแล้วนะอยู่ที่ว่าในสิบข้อนี้มีทุกคนอยู่ที่หนักเบาแค่ไหนเท่านั้นเองนะก็เหมือนเป็นกระจกส่องตัวเองนะเป็นมาตรวัดเพราะไอ้ตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวต้นเหตุทั้งหมดที่ทาให้เราเวียนว่ายตายเกิด คิดว่ามันสำคัญมันก็สำคัญอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ใช่นักวิชาการบางทีรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เมือม่อเมือม่อเมือมอม่อต้องเสียเวลาแล้วก็ให้มีประโยชน์นะก็สักจยทิฏฐิคือตัวแรกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก egoism คือ ego นั่นแหละก็คือความเข้าใจผิดในกายของตนความเห็นว่ากายนี้เป็นสิ่งทเที่ยนแท้เป็นของตน หลงไหลงมงายในตัวของตัวเองจนติดเป็นนิสัยยังความเมื่อมนไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงของอัตภาพตัวตนของเราก่อให้เกิดทุกข์เสมอไปอันได้ชื่อว่าสักกายทิฏฐิซึ่งจัดไว้เป็นกิเลสละเอียดข้อแรกแอนันนี้ใครดูว่าตัวเองมีไหมเนาะมีหรือเปล่าก็พิจารณาเองนะ ข้อที่สองวิจิตกิจฉาสเก็ตติคอเดวภาษาอังกฤษเขาเรีรกเยรกว่าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องศัพทวิชาการนะมันคือความยังเลไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอย่างไรกันแน่นักสงสัยอยู่ลั่นไปว่าชีวิตนี้เป็นอย่างไรบุญบาปมีจริงหรือไม่ พ, บ พ, บพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นต้น ทำให้จิตใจเกิดลังเลสงสัยเลยไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรถูกล้วนแต่เป็นปัญหาให้คิดไม่รู้จักหมดสิ้นเกิดความปั่นป่วนบันทอนความสงบสุขนะข้อนี้ใครมีไหมนะโดยเฉพาะนักวิชาการคนที่มีความรู้เยอะๆจะมีข้อนเยอะสร้างความลังเลสงสัยจะเปรียบเทียบตลอดเวลานะ มันคือสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตไอตัวนี้นะบางคนมีทุกคนมีแต่ว่าแรงแค่ไหนนะแรงแค่ไหนส่วนข้อที่สามนั้นสีลพตตาธาตุนะอินเดอร์อินเดโเจนนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกนะความพิจารณาไขควรศีลและวัตให้กลายเป็นของผิดไปจากความหมายเดิมหมายถึงความเข้าใจผิด ในศีลวัดข้อปฏิบัติต่างๆในาศาสนาและยึดเอาความเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และปฏิบัติผิดไปจากธรรมนรงค์ธรรมจนเกิดด่างพร้อยมีมนทินฉังยึดถือว่าการปฏิบัติที่ตนเข้าใจผิดนั้นเป็นเครื่องมือทำให้เป็นผู้วิเศษมีอนานาจมหาชั่ร์รหรือศักดิ์สิทธิ์นะหรือขัน อย่างใดอย่างหนึง่งเหนือกว่าคนธรรมดาจนเป็นการปฏิบัติที่ลุ่มหลงตาสะจากเหตุผลที่ถูกที่ควรตามความจริงทางพระศ า, ศาสนาไอ้ข้อนี้เนี่ยพระครูเตือนตลอดว่าเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งนะหลายคนไปหลงนะเพราะแนวเราเนี่ยมันมีอภินยาอย่างหนึ่งคือมันจะเลือกรู้อดีตได้และถ้าเราไม่ระวังมันก็ไปหลงอดีตอดีตนั้นนะ่ะ นะจึงจําว่าเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งนะแล้วพิจารณาว่าตัวเองมีตรงนี้ไหมและที่ผ่านมาศูนย์นี่เราทําอะไรกันบ้างเราส่งเสริมสิ่งนี้หรือเปล่านะก็พิจารณเองนะทีนี้วันนั้นก็มีคําถามพรอครูว่าพระโสดาบันเนี่ยต้องละสัญญาได้กี่ข้อเขาก็บอกว่าสัญญาทั้งสามประการดังกล่าวเป็นสิ่งที่พระโสดาบันจะต้องละได้โดยเด็ดขาด ในขณะที่บรรลุถึงภูมิทางข้อนั้นเมื่อละสัญญทั้งสามประการนี้ได้แล้วได้ยังสามารถทําราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปบางส่วนก็จะเข้าสู่ขั้นพระสกิทาคามีคือพระอริยบุคคลขั้นที่สองพระโสดาบันคือละสามข้รนี้ได้เท่านั้นแล้วก็ละสามข้อนี้ได้แล้วจ็ลดลดโทสะโมหะ โลภะเราได้ระดับหนึ่งถึงจะถึงขั้นพสัสกิตาคามีนะอันนี้ น, นีไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ข้อที่สก า, า, าราลคภาษาอังกฤษบอก l i f e s t u l e design คือความยินดีหรือกำหนัดในการม์มคำว่าการหมายถึงความคร้หรือยินดีในลดของอารมณ์ที่ตรงกับความต้องการของจิต ซึ่งตามธรรมดาแล้วคนเราย่อมต้องการอารมณ์รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่งนวลนราบสัน้นเป็นความใคร่ที่เป็นไปอย่างธรรมชาติแม้แต่สัญชาตญาณสืบพันธุ์ก็เป็นความใคร่อย่างธรรมชาติความใคร่จะเป็นอย่างธรรมชาติหรืออย่างหลงไหลก็ย่อมนำมาสึ่งความไม่สงบสุขทั้งสิน้น สำหรับความใคร่อย่า ง, ลงหลงไหลนั้นพระริยะบุคคลขั้นแรกคือพระโสดาบันละได้แต่ความใครที่เป็นไปอย่างธรรมชาตินั้นพระอนาคามีพึงละได้ความรู้สึกทางเพศอะไรมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เราปลงแต่งขึ้นมันต้องระดับพระอนาคามีเท่านั้นถึงจะละได้ข้อที่ห้าปฏิกะ ภาษาอังกฤษบอก evil นะความหงุดหยิดคับแคบใจหรือความไม่พอใจยังเหลืออยู่ซึ่งทำให้เกิดความอึดอัดลำคาญใจและเป็นเพียงส่วนน้อยพอรู้สึกหรือไม่รู้สึกเลยนะถ้ารู้สึกมากเข้าขั้มหยาบก็เป็นโทสะปฏิฆังนี้ถ้ามีอยู่ก็จะทำให้ความบริสุทธิ์สงบไม่เกิดขึ้น ในพระอริยบุคคลขั้นสูงขึ้นไปจากพระสกิทาคามีนะสัญญอหรืออนุสัยอันนี้คืออนุสัยกิเลส น, นะมันเป็นกิเลสละเอียดเนี่ยข้อที่สี่และข้อที่ห้าทั้งสองอย่างนี้ละขาดได้ในพระอริยบุคคลประเภทที่สามคือพระอนาคามีข้อที่หกลูกปะนะัญหาะ ภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า From Laso so Design ความยินดีพอใจในความสนุกชนิดที่มีรูปประธรรมยางใดอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งคือความยินดีพอใจในรดของความสุขอันเกิดจากฌานนะที่เป็นสมาธิเข้าขั้นรูปประฌานคือเพ่งเอาวัตถุหรือรูป หรืออารมณ์เป็นที่ตั้งแน่ๆจนเป็นรูประชานนั่นเองเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็ยังมีราคะอย่างละเอียดสำหรับพระอริยะบุคคลอยู่จึงต้องพยายามละรูปปลาคะนี้เสียเพื่อก้าวไปสู่ความสงบสันติสุขของพระอริยะบุคคลต่อไปนะที่บอกว่าเราติดสุขในฌานนั่นละมันก็ได้ความสุขสมุดระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ไปไหนนะมันก็ไปติดตรงนั้น ีนี้ข้อที่เจดอาูปราคะประสานจุดเขาบอก formless, l u s so t f design คือความยินดีพอใจในความสนุกชนิดที่เป็นอาลู ป, ประธรรมเป็นที่ตั้งเมื่อละรูปปรลาคะได้แล้วไปติดใจในอาลูประชานซึ่งเป็นสิ่งปราณีตสุขุมมากกว่ารูปประชานขึ้นไปอีกจึงเป็นสิ่งจาเป็นสำหรับพารียบุคคลที่จะต้อง ละเสียเห็นไหมขนาดชานซึ่งละเอียดทำให้เรามีความสุขมากก็ต้องละนะถ้าละมันก็แปกอยู่ตรงนั้นหละไปติดสุขในชานทังลงอรูปประชานแล้วก็รูปประชานนะข้อที่8ดมานะ self assertion คือความสำคัญตนและคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนถึงกับเปรียบเทียบว่าดีเลว เสมอกันขึ้นแล้วเกิดความรู้สึกเป็นปมเด่นปมด้อยเรียกว่ามานะซึ่งนำมาเห็นความหนักใจทุกใจบางครั้งก็สำคัญตนเป็นผู้พิเศษหนักขึ้นไปอีกถ้าละมานะเสียได้ไม่ถือเขาถือเราไม่ยกตนข่มท่านไม่สำคัญผิดก็จะเข้าสู่ความสมบสุขได้ข้อที่เก้าอุทธจัก ฮัลโหลเวสเลสเ e s s คือความพเพลเพลินหรือตื่นเต้นในเรื่องราวหรืออารมณ์บางอย่างก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านลำคางใจวุ่นวายไปต่างๆนาน า, นาความสมบสุขทางกายและใจไม่อาจมีขึ้นได้ตัวนี้มันเป็นตัวละเอียดมากมันเป็นอารมณ์ที่ละเอียดนะเราขุณนคล้องหนองใจโดยโดยโด ย, โด ย, โดยที่เราไม่รู้ตัว ข้อที่สิ่นี้ตัวสาคัญมากอาวิชชาอิกโนเรนซคือความไม่รู้ในความจริงคือไม่รู้ในสิ่งควรรู้หรือรู้อย่างผิดๆนะอวิชชาคือความรู้ผิดตรงข้ามกับที่ควรจะรู้โดยเฉพาะไม่รู้ในหลักอริยรรสัจสีระการคือไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุของทุกไม่รู้ความดับทุก ไม่รู้ทางเห็นความดับทุกข์และที่สุดคือความไม่รู้ตัวเองไม่รู้ขันห้าคืออะไรเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เราลืมตาเรามองเห็นจวกข้างนอกก็สัญญาณหรืออนุสัยทั้งสิบประการที่กล่าวมาย่อมพิจารณาได้ว่าปัญญาเป็นเครื่องปราบตามขั้นเด็ดขาดนองจากปัญญาคือสมาธิ รองจากสมาธิคือศีลไม่มีสตินะศีล น, นั้นเปียกเหมือนเครื่องกบเกลื่นไม่ให้มีมลทินทางจิตใจสมาธิเหมือนเครื่องข่ใจให้มั่นคนแน่วแน่และปัญญาคือเครื่องมีคมตัดรากแก้วของอวิชชาเด็ดขาดจนบรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันนี้พอครูจะเน้นเรื่องนี้นะก็คือเป้าหมายสูงสุด ของพุทธศาสนาสอนให้เราเกิดปัญญามีปัญญาเท่านั้นถึงจะ ต, ตัดเอาวิชาได้ไม่ใช่สติไม่ใช่สติแต่ตอนนี้สังคมทั่วไปเราไปจบที่สติแล้วก็พูดแตะต้องไม่ได้เลยเหมือนเราหวงมากว่าถ้ามีามสติปุ๊บจบทุกอย่างอันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะไม่ได้พูดถึงเลยสัญญาข้อหนึ่งสองสาม พระโสดาบันละได้เด็ดขาดพระสกีทาคามีละสัญญนดทั้งสามนั้นได้แล้วและทำลาคะโทสะโมหะเบาบางลงไปมากด้วยสัญญอดหนึ่งสองสามสี่ห้าพระอนาคามีละได้เด็ดขาดส่วนสัญญนดทั้งหมดพระอรหันต์ละได้โดยเด็ดขาดสิ่งชิง ก็เขาสรุปตัวนี้สำคัญนะพ่อครูก็ว่าทุกคนก็ไหนไหนก็เสียเวลาก็ฟังเราเป็นแนวทางสัชน์ทั้งสิบนี้เป็นเครื่องผูกรักจิตใจให้ได้รับความทุกข์ด้วยการเวียนเกิดอีกจนนับไม่ถ้วนแบ่งออกเป็นสองตอนคือตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าเรียกว่าโอลัมพาคิยะสัญญาตคือสัญญาซึ่งมีอยู่ในส่วนเบื้องต่า ไม่ต้องไปจำชื่อนะพวกครูก็ไม่เคยจำอยากรู้ก็ไปอ่านใหม่เนาะแต่รู้คร่าวๆว่าเขาแบ่งเป็นสองสองส่วนหนึ่งถึงห้าเนี่ยเป็นส่วนเบื้องต่ำตั้งแต่หกถึงสิบเรียกว่าอุดธมพาขยะสังโยชน์คือสังโยชน์ซึ่งมีอยู่ในส่วนเบื้องสูงเนี่ทำไมต้องแยกอย่างนี้นะความเบี่ยนเกิดในภพภูมิต่างๆย่อมมีสูงและต่าตามอานาจ หนักเบาของสัญญาตเหล่านั้นถ้าสัญญน์ฝ่ายเบื้องต่ํามีกําลังกล้าก็เป็นเหตุฉุดให้ไปเกิดในกําเนิดต่ําเช่นเปรตแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นถ้าสัญญน์ฝ่ายเบื้องสูงมีกําลังกล้าเป็นเหตุนำให้ไปเกิดในกําเนิดสูงเช่นเป็นเทวดาพรหมเป็นต้น ถ้าตัดสัญญน์ได้หมดสิ้นแล้วเหตุให้เกิดในภพภูมิก็ไม่มีไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเราก็ว่ากันว่าสัญญอดเนี่ยทุกคนมีแล้วก็มาดูเราสอบตัวเองว่าตัวไหนมันหนักเบาแค่ไหนและแต่ละตัวมันก็มีอุบายวิธีในการกำจัดก็มีกรรมยบายวิธีการจากัดของมันสัญญชดสิบ ว่าโดยสรุปเป็นลากเน่าหรือลากแก้วของเหตุทั้งหมดส่วนที่ทำให้เกิดทุกข์มีอยู่สองประการดังแก่หนึ่งเอาวิชาคือความไม่รู้แจ้งในอารมณ์คือหลงอารมณ์นั่นแหละเพราะมันความรู้ผิดสองตัณหาความกำลัดเพลิดเพลินหลงไหลหมุนไปด้วยอำนาจของอารมณ์ ก็ย่อมาแล้วเนี่ยตัวอวิชชาเนี่ยเป็นที่มาของทั้งหมดตัวนี้เป็นเป็นตัวใหญ่มากแล้วเมื่อเรามีสัญญาณเหล่านี้มันก็ทําให้เราเกิดตัญหานะที่พ่อครูสรุปแล้วย่อว่ากิเลสทําให้เกิดตัญหาตัญหาทําให้เกิดอุปท า, านอุปท า, านทําให้เกิดทุกข์อันนี้คือกิเลสละเอียดส่วนผลของกิเลสละเอียดนี้มันส่งให้เรามีโลภโกรธหลง จิงๆแนละ้วไอ้ตัวโลกโกดหลงเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสนะมันคือผลของกิเลสไอ้กิเลสจริงๆแนละ้วเนี่ยมันมีอยู่สิบอย่างนี้อวิชชาเป็นลากเง่าเข้ามูลของสัมยบทุกชนิดและเหยียดให้เกิดทุกข์ทั้งมวลอีกด้วยดังมีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่าอันนี้พ่อครูก็เห็นก็เอามาให้ทุกคนได้ได้ชัดเจน อวิชชาเป็นนิวร์เครื่องห้ามตันหาเป็นสัง ม, มุติสังโยชน์เครื่องผูกตันหาเป็นอาการของอวิชชาถ้าอาวิชชาไม่มีตันหาก็ไม่มีหมดอวิชชาและตันหาแล้วก็เป็นอิสระจิตก็บรรลุแล้วซึ่งมีมุตคือความหลุดพ้นอย่างเยี่ยมอิสระภาพของจิตมีเพราะการทำลายอาวิชชาและตันหาให้ได้เด็ดขาด ดังที่พระพุทธองค์ทรงเ่่งอุทานในการตัดสู่เป็นปฐมตอนหนึ่งว่าจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารเพราะเราได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัญหาทั้งหลายวิสังขารก็คือสุญญาตาว่างจากอัตตาไม่มีสังขารอีกต่อไปเป็นการยืนยันว่าจิตดิ้นรนกระหายหมุนเวียน เพื่อเพลินเพราะตันหาเมื่อตันหาสิ้นไปเพราะความขาดแห่งมัวิชาแล้วจิตก็จะบรรลุถึงความมั่นคงไม่ดิ้นลนไม่กระหายไม่เพื่อเพลินไม่หมุนเวียนในสังสารวัฏอีกต่อไปนะอันนี้คือสัโยชน์ส่วนธรรมะที่พระเจ้าแสดงเนี่ยไม่ว่าหมวดใด ห, หมวดไหนเนี่ยไม่มีเอกเทศมันโยงกันไปหมวด่ะ ถ้าเราไม่ต้องการเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเพรงั้นปฏิบัติคือเจริญนมัดมัดผลผนิพพานนะแต่เนื่องจากว่ามีท่านถามมาเรื่องนี้ไม่ใช่ความรู้ของพ่อครูมันเป็นรวมความรู้ทางวิชาการที่เขาบันทึกไว้แล้วแต่เมื่อเอามาพูดแล้วมันก็ทําให้เรามองภาพชัดโดยเฉพาะนักวิชารเราจะรู้ว่าที่มาที่ไป นะคำว่ากิเลสทำให้เกิดตัญหากิเลสมันคืออะไรคือสิบข้อนี้แหละนะเป็นอนุัยกิเลสซึ่งละเอียดเป็นกิเลสละเอียดส่วนกิเลสแอบอยากที่มันเป็นผลของไอ้นี้เนี่ยก็คือโลภ ก, กดลงไอ้ตัวนี้เป็นที่มาของตัญหาแต่การเราจะตัดตัญหาได้เนี่ยสติก็รู้เท่าทันกิเลสมันก็พัฒนาสู่ตัญหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกก็ไม่เกิด แต่มันไม่ทุกเฉพาะเวลานั้นแต่ยังไม่พ้นทุกเพราะมันยังมีอวิชชาอยู่นะเราถึงขั้นปัญญาต้องปัญญารู้เท่าทันอวิชชาและพวกอวิชชาเหล่านี้เนี่ยพวกความรู้ผิดอย่างนี้มันก็หลอกเราไม่ได้เข้าสู่สุญญาตาคือว่างจากกัตตาก็ช่วงนี้สังคมไทยสังคมโลกเนื่องจาก ไม่ถึงร้อยปีหรอกหลายสิบปีที่ผ่านมาเราพัฒนาทางด้านวัตถุมากมายการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยนักวิชาการเขาก็ใช้ภาษาพูดซึ่งสมัยมก่อนพระกูเขาพูดกับเขานั่นแหละต้องเพิ่มอาวุธทางปัญญาถามว่าอาวุธนี้จะเอาไปฆ่าใครเอาไปแข่งกับเสือกับกับช้างหรือเปล่านะก็เอามา ทำลายมนุษย์ด้วยกันเองเพื่อเอาเปรียบจิงตีชิงเด่นกันก็กลายเป็นสังคมที่เกิดวิตกจริตกลัวเสียเปรียบกลัวไม่ทันกลัวช้ากว่าเขากลัวขาดทุนกลัวไม่สําเร็จแล้วคือเกิดวิตกจริตพอโพสต์มาปุ๊บโพสต์ต่อเลยส่งต่อเลยเพราะกลัวช้ากว่าเขาไม่ผ่านการคิดวิเคราะห์เมื่อตีก่อนเร า, เร า, เราจําได้ไหม มีคลื่นของตังนํำสไตล์จากเกาหลีแผ่ไปทั่วโลกในช่วงวินาทียังก บ, บ้ากันคือโง่โกันไปโดยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทันคิดวิเคราะห์และพอเขาออกเวอร์ชั่นใหม่ปุ๊บตอนนี้มีสติแล้วมันไม่ใช่ของจริงเห็นไหมแล้วทีนี้การศึกษานี่เราก็สอนให้เด็กท่องจำเรียนแบบ พอเราควบคุมเขาให้หน่อยหนึ่งไอ้ความคิดแบบนี้ก็เอามาใช้กับศาสนาด้วยให้ต้องจำคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ไม่เน้นสอนให้ทาตามพระพุทธเจ้าพอไปถ่อมจะเลยคิดว่าหลวงว่าฉันดูแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าต้องเป็นแบบนี้โดยไม่ผ่านการทดลองทดสอบหรือสังเคราะห์ใครพูดนอกเหนือจากนี้ ก็ไปกล่าวโทษเขาเลยว่าพวกนี้นอกรูนอกทางนีหละไอตัวชุดตัวศิลปปารามาดเนี่ยเราไปอ่านแล้วก็เชื่อหั่นว่าเราเข้าใจถูกเห็นไหมเรารู้ได้ยังไงเราเข้าใจถูกเมื่อเราหลงว่าตัวเข้าใจถูกเราก็ปฏิบัติเราเมื่อเราเข้าใจผิดเราเราหลงว่ามันถูกเราก็ไปปฏิบัติผิดอันนี้แรงมากนะทุกวันนี้แรงมาก พระพุทธเจ้าเนี่ยชี้ให้เราเห็นที่มาที่ไปให้รู้ว่าเรามีทุกข์เป็นประธานชี้ให้เรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คือตัวกัณหาชี้ให้เรารู้ว่าความดับทุกข์เรียกว่านิโรธคือนิพพานถ้าเราทําได้เราจะเข้าถึงตรงนั้นชี้ให้บอกวิธีหนทางไปสู่การดับทุกข์การพ้นทุกข์ด้วยบอกมาหมดพุทธบอกมาหมดเลยนะเราเพียงแค่ นำมาทดลองทดสอบกับตัวเราเองทีนี้ไอ้ความคิดแบบทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากกลัวได้เปรียบเสียเปรียบการออกข้อสอบการตั้งหลักสูตรอะไรเนี่ยก็ให้มันเหมือนกันคุณถุงชนพบประเมินง่ายทุกคนก็เลยติดเป็นนิสัยแล้วก็เอามาใช้ศาสนาว่าตอนนี้นะแรงมากนะเขาก็อ้างว่าตอนนี้มีหลายลทัทธินิกายไม่ใช่หลายลินิยายหลายศาสนาด้วยศาสนาใหม่ๆก็เกิดขึ้นในโลกนี้ คนเราเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันมันเชื่อไม่เหมือนกันผิดไหมไม่ได้ผิดเป็นคว า, ามปกติแต่ความคิดที่คุณถงชมว่าใจทุกคนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดเป็นชอบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ว่าจะเกิดสิ่งนี้นะพระพุทธเจ้าโดยกําชับพระพุทธเจ้าแสดงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งคือโอวาทปาติโมก น, นี้เจตนา นะโอวาทปฏิโมกหรือคําว่าโอวาทคําสั่งสอนคือคําสั่งสอนเนี่ยโอวาทปฏิโมกเป็นคําแนะนําที่เป็นหลักเป็นประธานนะเป็นประธานเป็นหลักหมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสําหรับถือเป็นหลักปฏิบัติในแนวเดียวกันในแนวเดียวกันมีหลักตัวนี้แค่นั้นเองเป็นคําสั่งสอนที่พระเจ้าประทานให้ แต่ภาษาวกสํสำหรับไปประกาศพนมจันนี่นนะถือเป็นหลักการใหญ่มีตัวนี้เท่านั้นที่เป็นหลักเดียวกันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรือเป็นตัวศาสนาก็ได้มีสามข้อคืออันนี้บางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้ก็รับรู้ไว้นะหนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงหมายถึงเว้นจากทุจริตคือประพุทิชั่วด้วยกายวาจาใจ สองยังกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสามทำใจของตนให้ผ่องใสหมายถึงทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรค ก, กวดหลงเป็นต้นสามอย่างนี้เท่านั้นเป็นหลักหรือเราย่อเป็นภาษาพื้นบ้านว่าทำดีละชั่ว ขัดเกาจิตให้ผ่องใสแล้ววิธีทําดีพระเจ้าก็บอกแล้วว่าก็คือทานวิธีละชั่วก็คือศีลวิธีขัดเกาจิตให้ผ่องใสคือเจริญภาวนาก็คือสมถวิปัสนาอันนี้คือหลักส่วนอุบายวิธีในการไปกระทําดีอุบายวิธีในการละชั่วยกตัวอย่างเอาพวกเราถือศีลห้าหลักใหญ่ๆคือเรารู้อยู่แล้วศีลห้ามีอะไร ส่วนเทคนิคอุบายวิธีปีกย่อยนั้นแต่ละนัาที่นิกายที่เขาก็ ค, คือคนเราเนี่ยมันมันฝึกมันบ่มเพราะเอาวิชามาไม่เหมือนกันปรุงแต่งมาไม่เหมือนกันเห็นไหมมันก็ต้องใช้เทคนิคอุบายวิธีที่ต่างกันอย่างตอนนี้เนี่ยเขาไปอ้างคําพูดพระพุทธเจ้าคําสอนพระองค์ที่สอนสาวกแต่และแต่และองค์แต่และรูปเนี่ยพระองค์สมัยเราคุยกับไก่แล้วต้องใช้ภาษาไก่ คุยกะเลียงต้องใช้ภาษาลิง่งเราสอนเด็กปหนึ่งเราต้องใช้ภาษาปหนึ่งเราสอนปริยาเอกต้องใช้ภาษาปริยายเอกมันต้องใช้ภาษาไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ไปอ้างอิงภาษาเหล่านี้ว่าทุกคนต้องทำแบบนี้มันก็ยุ่งสิไม่มีปัญญาเห็นแจ้งไม่สามารถให้ปัญญาเขาก็อ้างคำสอนพระเจ้ามายัดเยียดให้ทุกคนทาตามถ้าใครทาไม่ตามถือว่า นอกลู่นอกทางมันจึงเกิดขัดแย้งกันทุกวันนี้คือหลักใหญ่ๆผู้เจ้าสามมีสามข้อนี้ว่าให้ทำเหมือนกันคือทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสบางคนทำดีใช้อุบายไปให้ทานเด็กยากจนบางคนทำดีไปช่วยเหลือคนแกน่บางคนทำดีไปสร้างวัดอุบายในการทำดีมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้ละชั่ว บางลัทธิเขาถือศีลเนื่องจากว่าสมมติว่าเขาติดลดอาหารใช่ั้ยเขาติดลดอาหารเขาก็อาหารเลยปฏิกุลสัญญาพี่น้าเรื่องอาหารโดยถือศีลว่าสมมิวาไม่กินเนื้อสัตว์เพราะเราติดลดเนื้อสัตว์โดยใช้อุบายว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ฆ่าสัตว์ก็เป็นอุบายของเขาแต่อย่าไปเขียนว่าต้องแบบนี้ดีแบบนั้นไม่ดีถ้ามันเป็นสูตรตายตัวเนี่ย พระเจ้าทำไมสแสดงธรรมกับพระลาหุนพูดอีกแบบหนึ่งสแสดงธรรมกับพระโมกขาลาเขาอีกแบบหนึ่งพระสารีบุตก็อีกแบบหนึ่ง mm. ก็มันไม่เหมือนกันไง mm. ทีนี้จริงๆแล้วคำว่านานาจิตตังนี่มันมีคำตอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วถ้าทุกคนเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นนี้เรามาจบที่อุปทานบางเอิญก็มี เขียนมาหาพา่อครูว่าอุปทานคืออะไรก็หมือที่บอกว่าแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดหมายความถึงการยึดมั่นที่ผิดด้วยอํานาจกิเลสโดยนึกหรือเข้าใจเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือการนึกเอาเองเข้าใจเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อุปทานจัดเป็นกิเลส อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเศร้าหมองเช่นหากยึดมั่นในกา ม, มตปัญหาก็จะทำให้ลิศยาห์หิกหวงฆ่ากันหากยึดมั่นในความคิดเห็นก็จะทำให้มีทิฏฐิมานะสูงหากยึดมั่นในธรรมเนียมก็จะทำให้งมงายเชื่อง่ายหากยึดมั่นในตัวเองก็จะทำให้ นองตัวเยอะยิงจองของถือเราถือเขาทีนี้อุปทานมันก็เป็นผลของกิเลสมันไม่ใช่ตัวกิเลมันคือผลของกิเลสที่พวกคูย่อมาสั้นๆกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เราหลงนั่นคืออุปทาน เราสู่บุรีบ่อยๆเป็นกิเลสเราละคําว่าบ่อยๆจนเคยชินมันก็กลายเป็นกิเลสเราก็เกิดตัณหาอยากสู่บุรีเพราะเราติดบุหรีนี่คืออุปท า, านละตัณหาทําให้เกิดอุปท า, านเมื่อได้สู่บุรี่ปุ๊บความรู้สึกก็พอใจแต่พอเขามาแย่งไปปุ๊บไม่พอใจมันก็ทุกข์ จริงแล้วคำว่าอุปทานเนี่ยทุกคนมีทุกวันทุกวันแต่เรามองไม่เห็นมันเพราะเราทาตามกิเลสมันพอใจมันพอใจอันนี้ทุกคนต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีอุปทานตัวไหนตัวไหนที่เป็นตัวเด่นของเราเป็นตัวหลักของเราและไอตัวอุปทานเนี่ยทำให้เราสร้างกรรมเป็นตัวทำให้เราสร้างกรรมโดยเฉพาะ เรามีหลายแกงพ่อครูบอกเราแกงอบกินอันนี้ต้องพิจารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งปฏิกูลกินมากก็เสียเวลาเข้าห้องน้ำเยอะถ้ากินผิดก็ปวดท้องท้องร่วงกินมากเกินไปก็ท้องอืดเราคิดกินตามกิเลสหรอกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะนชีวิตเราไปติดตัวกินพี่พระครูบอกว่า ตอนนี้คุณวรรณสิงข์ขพศอยู่ในเว็บไซต์เขาน่ยนะญาติทร่ทำามาไห้พ่อครูดูถึงวันนี้เขาประกาศตัวแล้วหลังจากเขากลับที่นี่เขาถามว่าเขานับถือศาสนาพุทธแล้วหรือเขาบอกถึงเวลานี้เขานับถือศาสนาพุทธแต่เขาไม่ใช่เป็นคนพุทธซึ่งจะติดรูปแบบวัฒนธรรมไปเพณีเขาบอกเขาใช้ภาษาเก่บกเขาเรสเ spect เขานับถือแต่เขาไม่ได้บูชาแบบหลงลมงายวอร์ชิปซึ่งเขาใช้ภาษาพูดดีมากแต่พ่อครูพูดกลับกันวินาทีที่พ่อครูเกิดอาการระเบิดแล้วเนี่ยพ่อครูเลิกนับถือพระพุทธเจ้าทันทีพ่อครูบูชาถวายชีวิตแต่ถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าไม่ได้ถวายชีวิตให้พุทธศาสนา แต่ทุกวันนี้พ่อคูจันลงพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ประกาศศาสนาประกาศพรมอาจารย์ชี้ทางคนทุกให้สัตว์โลกไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตอนนี้เราประกาศศาสนาแล้วก็ไปหลงความเป็นศาสนาความเป็นศาสนามันมีวัฒนธรรมประเพณีอุบายวิธีต่างกันเราพยายามจะให้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตให้มาเป็นเหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็ไปขัดแย้งกับศาสนาอื่น มันทะเลาะกันทั้งโลกพระพุทธเจ้าดำบีให้สาวกจารือปปกาศพลมาจันทร์ชี้ทางคนทุกข์สัตว์โลกโดยทำสามข้อทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่มีข้อไหนเลยบอกว่าให้เขามานับถือศาสนาพุทธให้มาเป็นชาวพุทธพวกคุณที่บอกว่าจิตคุณวั น, นสิง์เนี่ยเขามีปัญญาเขาเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเปิดจิตมากแก่เขา ระวางไม่ถล่มแต่ทุกวันนี้พอเราไปเชื่ออะไรแล้วก็หลนยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ผ่านการพิสูจน์ก่อนจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยทำไมผูค้ครูวินาจีระเบิดเราไม่ถวายชิตให้ศาสนาพวกคูถวายชิตให้พระพุทธเจ้าผู้เจ้าคือธรรมะพระงคคืนสู่ธรรมชาติแล้วแต่พระศาสนาเนี่ย เป็นองค์กรที่เขาตั้งขึ้นมาทีหลังเป็นเครื่องมือขับเครื่องคาสอนพระพุทธองค์มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้เจ้าตัดไว้เองว่ า, าศาสนาพระองค์จะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีและตอนนี้มันผ่านมาสองพันกว่าปีฤุธถปุนพุธการมันก็กำลังเสื่อมจนจะต้องมีการปฏิรูปาศาสนาที่พระคูเน้นอย่างนี้บ่อยๆว่า ยุคนี้มันเกิดวิตกจริตบางทีไม่การผ่านการสงเคราะห์พอมีคนใส่ไายป้ายสีกันบ้างก็ตัดสินทันทีเลยเป็นยุคที่อันตรายมากเพราะกูไม่ได้ห่วงอะไรนะอะไรจะเกิดมันก็เกิดเราทําหน้าที่เราดีพอเต็มที่ดีที่แล้วตอนนี้ถ้าคนไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงจริงๆแล้วจะไปติดบ่วงเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วถูกผิดดีชั่วเอาทิฏฐิมานะของตัวเองเป็นที่ตั้ง เอาความเชื่อของตัวเองเป็นที่ตั้งมันเป็นยุคที่ว่าไม่มีใครถูกใครผิดหรอกมันเป็นยุคเสื่อมยุกตกต่ำที่สุดตั้งแต่มีโลกใบนี้มาเราจเจริญทางด้านวัตถุแต่ทางด้านคุณธรรมทางจิตสํานึกนี่เสื่อมมากอยากได้เงิน เ, เฉยๆก็าวางแผนฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองไม่บ้าก็กินยาให้มันบ้า ผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกค่าพ่อฆ่าแม่มันเป็นยุคที่เสื่อมที่สุดเพราะมนุษย์ยุคนี้นี่ตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดเราไม่เอาชีวิตเราเอาอนาคตอนาคตคือเงินคือวัตถุกล้าทำทุกอย่างเพื่อ น, นั่นเราไม่เคยทํำด้วยชีวิตเลยเราชีวิตเราเนี่ยไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เพื่อสร้างวัตถุเพื่ออนาคตพอได้เงินมาก็รักษาโรคเครียดโรคมะเร็งนะก็พวกครูสมัมผัสึ้นทุกวันนี้ได้ว่ามันเป็นยกที่พวกครูเคยเล่าให้พวกเราฟังหลังจากระเบิดที่อเมริกาเมื่อ25ปีก่อนคืนนั้นเที่ยงคืนถึงปีสามที่ประสบการณ์สมชั่วโมงสุดท้ายมาบอกกล่าวสามชั่วโมงสุดท้ายนั้น เปลนชีวิตพ่อครูเราต้องหนีจากสิ่งแวดล้อมนั้นเพราะชีวิตของมันร้อนวันเรานอนอยู่กลางดึกไฟไม่บ้านเราเนี่ยถามว่าเราจะหนีไหมไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมหนีไปไหนกลับบ้านเกิดมึงนอนเราไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยเพราะช่วงที่ไปอยู่อเมริกาลึกๆเรามีอีโก้ เรามีตัวตนของตัวเองที่ตีมานะว่าเราเป็นช้างเท่าหน้าไปที่โน่นเขาบอกเท่าเทียมกันเขาไม่ได้ผิดนะแต่เราไม่รู้ตัวเองเป็นอารมณ์ที่เหมือนเราไปอาศัยประเทศเขาอยู่เรามีชาตินิยมและที่โนวนถึงเขาจะเสีลีกระชั้นแต่ลึกๆมันแบ่งชนชั้นอยู่แล้วเพราะครูมีความรู้สึกไม่พอใจเพราะเราก็หลงว่าตัวเองเนี่ย เป็นช้างเท้าน่าพเพราะระเบิดปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเลือกเลยกลับบ้านเกิดมึงนอนเราแล้วก็ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เรารู้หมดแล้วเราจะมีส่วนเกินมหาศาลมาทำหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งสนองคุณแผ่นดินเกิดสองทำหน้าที่สนองคุณครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้พระครูพ้นทุกข์คือพระพุทธเจ้า นั่นหละพอกลับมาปุ๊บไปพักอยู่บ้านกรุงเทพดอกหนีเสือป่าจร ะ, จะเข้ก็ย้ายไปอยู่บ้านที่เชียงใหม่ตอนนั้นอากาศยังดีเชียงใหม่ก็อยู่แล้วไม่อยู่ทําไมรอวันตายประเทศไทยช่วยไม่ได้ไปช่วยจังหวัดอุบลดีกว่าเราเกิดที่นี่มาอยู่บ้านในเมืองอุบลปีหนึ่ง เห็นสภาวะสังคมบอกว่าจังหวัดอุบลช่วยไม่ได้มาช่วยอำเภอสีรินทรตอนนั้นยังไม่แยกเป็นอำเภออยู่ในเขตของอำเภอพิบูลมังสาหารพวอครูมาอยู่สองปีเขาถึงตั้งเป็นอำเภอทีนี้อำเภอใหม่เราต้องเลือกสอจเราก็มองหาคนที่เลวน้อยที่สุด สนับสนุนเขาเพื่อจะช่วยเหลืออำเภอศรีลิทอนได้จริงๆไปไม่ถึงกี่เดือนก็ถูกเกินไปบิ่งไปตามแสงสีพวกครูเลยบอกว่าอำเภอศรลิทอนช่วยไม่ได้มาช่วยตำบลโนโนก่อเขาส่งครูโกส่งในหมู่ บ, บ้านเลือกอบตอไปสองคน ก็ได้ทั้งสองคนแล้วมันก็ไปก็ไปท ะ, ะเลาะบกแวงกันพวกครูก็บอกว่าตำบลนวลก่อช่วยไม่ได้เอาแค่หมู่บ้านแหลมทองก็พอก็สมเสริมดาวอาทิตไม่รุ่มมาหรือเปล่าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้หมู่บ้านดีเด่นเป็นหมู่บ้านตัวอย่างไม่มีคดีความแต่พอเอกตั้งปุ๊บก็ทะเลาะ ก, กัน เคุจะขัดแย้งกับใครไม่ได้บอกหมู่บ้านแหลงทองช่วยไม่ได้เอาศูนราลานคอยอย่างเดียวทาไปทำมาสูนบาลานคอยอยู่ด้วยกันดีๆไม่ชอบก็พูดกันไปพูดกันมามันก็บอกว่าศูนราลานคอยก็ช่วยไม่ได้จากนี้ไปตัวใครตัวมันอันนี้คืออัตติหีอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน แต่ถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้อธิสงที่เราให้นั่นแหละทําให้เราวางได้ไม่ใช่พูดเพราะครูทํามาหมดแล้วทําแล้วค่อยพูดอย่ามาอ้างตัวว่ารักชาติอะไรที่นี่นะเพราครูบอกอย่ารักชาติแต่วาจาทํามีแต่พูดไม่เคยทําเลยเพราะครูทำมา25ปีบางคนสงสารพวอครูเห็นพ่อครูเหนื่อยมากพวกครูเมื่อไหรจะหยุด เมื่อมันหยุดหายใจวันนั้นมันก็หยุดจะรู้รอวันตายทำไมพระครูทำสองเรื่องแต่พระครูจันลมพระศาสนาโดยไม่ประกาศศาสนาประกาศพมมาจันชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกชี้ให้เขาทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเขาจะนับถือศาสนาไหนก็เรื่องของเขาเขามีลัทธิวิการต่างๆพวกคนเราเฉลไีไม่เหมือนกัน ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่ว่าบังคับให้ทุกคนต้องเป็นหุนดัเหมือนกันหมดอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีเป็นความฝันกลางอากาศเรอยู่ด้วยกันได้แก้วน้ํานใบนเงาายลงไปไก็อยู่ข้างล่างเอาน้ำมันลงไปก็อยู่ข้างบนเอาเกลือลงไปก็อยู่ตรงกลางทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคืออยู่ในแก้วใบเดียวกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันเป็นทางเดียวที่เราจะเกิดความสงบสุข ไม่ใช่บังคับว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันทําเหมือนกันเนยตอนนี้เนี่ยตั้งรัที่ใหม่โดยไม่รู้ตัวและ้ะไปว่าคนอื่นเขาไม่ทําตามบุญเจา้าคนลัฐที่เยอะแยะเลยก็ตัวเองเปิดรัฐที่ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วไงลัฐที่เชื่อคําสอนแต่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนถ้าปฏิบัติเข้าถึงคําสอนแล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งลัที่ใหม่มันเป็นเรื่องนาน า, นานจิตตังไม่ใช่ของฉันถูกของเธอผิดเมื่อกี้เมื่อกูก็อ่านให้ฟังน ยกตนของท่านแค่นี้ก็ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าแล้วแล้วยังไงบางคนถามมากูแล้วยังไงทอยังไงทาใจเบี่ยงทิ้งทุกวันไม่ใช่เรื่องของเราบางทีใช้ทฤษฎีในหลวงบัางช่างหัวมันเดี๋ยวจะหางบปัดสร้างตาชั่งใหญ่ๆ เราหัวมันตั้งไว้ข้างบนเป็นการเตือนสติก่อนจะไปว่าเขานีก็มองจอนนั้น้ก็หยุดช่างหัวมันอย่าเป็นคนขยันพูดมากเนะรู้จักคิดว่าช่างหัวมันหน่อยหนึ่งมันดีมันเร็วกันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราหัานมามองว่าตัวเองเนี่ยสมบูรณ์ไหมถ้าตัวเองยังไม่สมบูรณ์อนะ่ะไม่ต้องพูดนะให้พระครูพูดคนเดียว อย่ามาแย่งเราคูพูดนะทำก่อนสังเคราะห์ก่อนลเล่าความจริงมาแชร์กันไม่ใช่แชร์ความเห็นแชร์ความเห็นแล้วก็ไปทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนั้นแหละเนาะเอาความเห็นมาสังเคราะห์มาปฏิบัติลองถูกลองผิด นะเมื่อเห็นแจ้งแล้วเนะี่ยก็เอาความจริงนั้นมาแบ่งปันในรูปของภาษาเท่าที่จะพูดได้จริงๆริงแล้วความจริงนั้นก็พูดไม่ได้ด้วยพูดปุ๊บมันก็หยาบแล้วเห็นไหมตอนนี้ทะเลาะ ก, กับภาษาเดียวกันนั่นแหละบาลีก็เหมือนกันแปลเป็นไทยก็เรื่มเดียวกันตีความไม่เหมือนกันของฉันถูกของเธอผิดมันก็เป็นมานะไงเห็นมไหมล่ะตัวเองจะแสดงมานะใ ห, ให้ให้เขาเห็นเลยอยากให้เขาเชื่อตคนที่มีมานะเลย ใหญ่แล้วนะไม่มีอะไรทาหาเรื่องพุทธเองจะทะเลาะกันทำไมดีช่วยยังไงก็ช่วยกันแก้มันเป็นเรื่องบุคคลไม่ใช่เรื่องของาศาสน า, สาศาสนาอง์รวมโดยเพาะคำสอนพทธเจ้าเนี่ยอย่าบังอาจไปแตะต้องอย่าบังอาจไปแก้อีกกี่ล้านปีใครก็แก้ไม่ได้มันเป็นของจริงแต่อุบายวิธีเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยน พระครูบอกแล้วเนี่ยเงินไทยจีสามยังทะลาะกันไม่เลกเิกเนี่ยคนอื่นเขาจีสี่จีห้าแล้วคุณยังต้มต้มเตีต้ยมขี่คอช้างถือเงี้ยวถือน้าวฟันดาบเนี่ยมันจะไปสู้กิเลนได้ยังไงกิเลมันขี่จรวดแล้วหมันจะอนุรักษ์พู้เจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณเข้าใจที่พระองค์ตัดไว้ไหมล่ะพระองค์พวุกง่วงแต่คุณเอารูปแบบที่คุณเคยชิมมามรรทัดถาน่าต้องเป็นแบบนั้น ถ้าไม่ใช่แบบที่ฉันเคยชินเนี่ยไปว่าเขาหมดมันผิดแก้วทิพย์กึ่งบังคับพ่อกูเมื่อวันก่อนเออฟังเขาเทศให้ฟังเขาเถียงพ่อกูเอ๊ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดเนี่ยแต่มันเข้าใจผิดถึงเลย เ, เขาก็บอกว่าการฝึกจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเขาต้องรู้แล้วที่เราทํามันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแล้วที่เคลื่อนไหวมันไม่รู้เหรอยิ่งรู้เร็วเขาเพราะว่ารู้เขาสปีด ช, ช้า สิบกิลเชของเราสปีด1้อยโดยชั่วโมงยิ่งรู้เลยไม่มาลองดูผมปฏิบัติดูแล้วก็เอาคำพูดแต่นั้นก็ไม่ได้พูดผิดพระเจ้าไม่ได้พูดอะไรผิดเลยแต่คุณเข้าใจผิดเนี่ยคนรบบนี้เป็นแบบนี้ไงถ้าหลักการสามอย่างนี้ทำดีละชั่วขัดต่อจิตให้ผ่องใสเอาทุกคนทั้งมาใหม่มาเก่าชี้หน่อยหนึ่งสามอย่างนี้พวกครูไม่ทาอะไรบ้าง สูนีจางอย่างนี้ขาดอะไรบ้างทําทุกวันทําดีทุกวันแล้วเลี้ยงพระเลี้ยงเนนเลี้ยงชีเลี้ยงเด็กยากจนหรือเลี้ยงคนวันนึงเป็นพันคนอันนี้ชั่วไหมทําดีคือการให้ทานไงแล้วพระครูนั่งไปเสียเวลาที่นี่ทําไมพูดพูดพูดไม่ไม่ต้องลิขินะไม่มีลิขิตไม่ขี้เหนียวความรู้ไง ก็ให้ธรรมทานอีกบางทีให้ธรรมทานอีกไม่พอใจมาจะตีพวกครูจะฆ่าพวกครูพวกครูไม่ต้องให้อภัยทานด้วยนะไม่ต้องเสียเวลาให้ด้วยนะพวกครูพวกคูไม่ว่าเขาถูกเขาผิดพิยงแตว่าสงสารพวกครูทำสามเรื่องยี่สิบห้าปีนอกจากสามเรื่องนี้ไม่ทำแล้วมีอะไรไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าไปติดแค่รูปแบบไปวิชาการพวกนั้นแหละ ก็พิสูจน์แล้วไงจบสูงสุดแล้วไ ง, วไงปริยายเอกสูงสุดทางพุทธศาสนาทำไมทะเลาะ ก, กันคุยกันไม่รู้เรื่องคนหนึ่งแปลนิพ่านว่าอัตตาคนหนึ่งไปว่าอนัตตามันก็พิสูจน์แล้วไงถ้าคุณไม่รู้คำสอนเจ้าคุณได้ด็อกเตอร์แล้วคุณต้องรู้สิแล้วทำไมคุณทะเลาะ ก, กันอยู่อและพิสูจน์ว่าแนวไหนวิธีไหนก็ช่าง ในเมืองไทยเราอไม่ต้องไปออกต่างประเทศนะพวกเราบางทีไม่มีโอกาสออกต่างประเทศเราไม่รู้แบบพุทธศาสนากว้างใหญ่ไพศาลเทระวันเองก็มีหลากหลายอยู่ข้างนอกไม่ใช่มีแค่นี้นะมหายาณก็มีหลากหลายอยูุบายวิธีนะเอาเป็นว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อแนวไหนก็ช่างไม่ใช่ว่าแนวนี้ก็บรรลุธรรได้หมดแนมันนี้บรรลุธรรมได้หมด แนวนี้ก็มีนนบีคนไม่รู้ทำมีคนไม่บรรลุธรรมมีคนศึกออกไปแต่งงานมันไม่ไี้ไสู่ด้วยวิธีมันต้องตายตัวมันก็ทําให้เราเห็นแต่เราไม่เห็นกันไงเรามีทิฏฐิมานะเรามีเอาวิชาครอบนาอยู่เรามีเอาอุปทานทุกคนต้องมีหน้าที่แก้ไขที่ตัวเองต้องอย่าลืมหลักใหญ่กรำชีพเจตนา แก๊งไหนก็ช่างเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าแก๊งศูนพระลานคอยเออแก๊งก็แก๊ง <c oughs> สำคัญว่าแก๊งนี้เนี่ยเจตนาอยู่ที่ไหนไปตีหัวใครไหมมันทำชั่ว อ, อะไรบ้างมันพวกความพวกความละโมบหรือเปล่ามีไหมใครชี้มากูดูหน่อยหนึ่งบางทีมีเจ้าภาพโอ้มาสร้างาพระใหญ่ โนเงินไห้พ่อครูห้าแสนพ่อคูสร้างสองล้านห้าเมื่อจะทําแล้วก็ทําให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่องค์พระมาไหว้เฉยถ้าองค์พระไหว้เฉย อ, องค์เรียกๆก็ไหว้ได้ไงคือคืออะไรที่มันต้องเกิดขึ้นแล้วมันมีประโยชน์เราก็ทําทำทำทำแล้วลไม่คิดเรื่องได้เรื่องเสียนีจะได้ทั้งนั้นแหละได้ให้ ถามว่าหลักการทำดีล่าชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสสูนย์พนกนคอยไม่ทำอะไรบ้างเช้าสายบ่ายเย็นเราเคยหยุดไหมเราขัดเกลาทุกวันไม่ใช่ขัดเกลาเฉพาะศาล า, านะออกนอกศาลาเนี่ยเราก็ช่วยกันทำงานขัดเกลาความวุ่ความตเนี่ยเราต้องดูดลักใหญ่ๆอย่าไปติดรูปแบบวิธีการมากมายนะมันแป๊ c. แล้วก็เห็นแล้วก็ทาให้เราดูนะ ปัจุบัิมาสามสี่สิบปีแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าวิธีไหนต้องบรรลุทำได้หมดแม้กระทั่งที่เราทําเหมือนกันเดินหน้าไปสามเก้าเบื่อเลออกไปก็สี่เก้าชักเย่าแล้วมันจะไปไหนบอกฉันไม่เก้าวหน้าเอาเธอเก้าหน้าถอยหลังเธอเก้าหน้าถอยแล้วจะบอกว่าเธอไม่เก้าวหน้าก็เธอไม่ก้าหน้ายังเธอถอยหลังก็เห็นเห็นกันอยู่อัี้ ค้ากำไรเกินควรเห็นไหมทําบุญช่วยเด็ก ย, ยากจนร้อยบาทสาธุให้ถุกราวันที่หนึ่งี <c oughs> ่เขาเรียกไม่บุญนะค้ากำไรเกินควรปฏิบัติแค่เต้นหยงเต้นเหียงไม่กี่วันบอกไม่ก้าวหน้าชาติเป็นของเราเนี่ยนะคิดปเป็นร้อยปีซะถ้ามาเทียบกับหลายๆชาติเราสร้างกรรมมาเนี่ย ฟุ้งลองยังใหญ่เกินไปแล้วบอกว่าจะก้าวหน้าอันนี้คิดแบบหวังแต่จะเอาออก็ให้ทุกคนที่พวกครูพูดเรื่องนี้บ้างเน่ยเพราะทุกวันนี้คนหวังดีมีเยอะแต่หวังดีในในยะที่เขาเชื่อในอดีตที่ผ่านมาพวกครูละเลยเรื่องนี้ เพราะว่าพวกคูปล่อยไปตามกรรมจริงๆแล้วก็ออกไปปฏิบัติดีๆปุ๊บถูกเขาว่าปุ๊บหยุดพ่คูไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่เสียดายโอกาสเพราะมีแต่ความรู้แบบไปจามาแล้วก็ไปพูดต่อๆไปอ้านนนอานนี่ตรงนั้นถูกตรงนี้ผิดเชี่ยวพวกคููดูหน่อยในสังคมไทยในสังคมโลกตอนไนหนวิจีไหนที่มันทำแล้วปุ๊บ มันรู้ทาได้หมดมันไม่มีมันไม่มีแต่ถ้าเราไม่ยามปฏิบัติเนี่ยเราไม่เตรียมความพร้อมแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนเราหลงป่าเนี่ยบางวันเราก็ต้องขยันถางป่าไว้รอเฮลิคอปเตอร์มาลงมามารับเราแต่ถ้าเราขี้เกียจทําเนี่ยเขามาช่วยเราได้มันก็ไม่ได้งไงนี่คือเราเตรียมความพร้อมนี่คือมั่ง มล้จะลย ม, มากไปเรื่อยๆส่วนมันจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นเรื่องของบุญบรารมีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็อีกเรื่องหนึ่งลูกโป่งถ้าเราเป่าลมธรรมดาเนี่ยมันก็ลอยไม่ได้เราต้องใส่เขาเรียกว่าไฮโดรเจนอะไรเป่าเข้าไปมันลอยแต่ถ้ามันเดินเชือกนึงไว้ห้าเส้น ลอยแค่ไหนก็ลอยไม่ได้ใช่ไหมถืว่าไม่ใช่ร่องบารมีอย่างเดียวนะเยต่สมมติเราเป่านะกไฟ ม, มันมีบารมีเต็มเปี่ยมเลยแต่มันถูกบ่วงพวกนี้ดึงไว้จะเป็นบ่วงกรรมไอ้พวกนี้สังโยชน์สิกเาต้องตัดมันตัดมันตัดมันตัดมันนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสช่วยการทำดีนี่เป็นการสร้างบารมีมันต้องทำคู่กัน บางทีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแต่กระแสะกรร ม, มันยังดึงไว้อยู่แล้วก็ไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานเราเนี่ยมันยังมีอยู่เราต้องตัดมันทีละอย่างทีละอยา่ยางทีนี้ตัดมันเราต้องอดทนต้องมีขันติต้องมีศรัทธาไม่งั้นมันบอกแต่ต้องเหรอเขาเธอตัดปุ๊บขาดใจตายเลยนะพอลูกปล่อยปุ๊บพยานหนังสติมันจะชนหัวใจเลยมันจะขาดใจตาย ถ้าเราไม่ตั้งมัน่นศรัทธาเราก็ไม่ก้าตัดนี่คือบ่วงบารมีก็สร้างทุกวันแต่บ่วงก็ต้องตัดบางคนตอนแม่อยู่อ้างเป็นห่วงแม่อ้างเป็นห่วงแม่ปฏิบัติไม่ต็มที่แต่พอแม่จากไปอ้างอย่างใหม่อีกหัววราททำไมไม่ชี้ทำไม อ๋อตรงกับคนนี้เนาะกิเลสมันอ้างร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่ามันอ้างอยู่ตอนนั้นแหละเออบางทีเป็นนักบ่วนเป็นเลชีพอมันเบื่อมาปุ๊บฉันจะสื่อตามําสานี่แหละ <c oughs> เห็นหรือยังกิเลสมันร้ายไหมดูนะสิบข้อนี้เรามีอะไรกิเลสมันชอบอ้างนะ พวกคุณก็มีย่าดีทำอยู่เวลาพ่ออยู่ต้องดูแลพ่อนอนอยู่บนเตียงอะไรอะไรเดี๋ยวพ่อเสร็จปุ๊บจะมาปฏิบัติธรรมพอพ่อจากไปปุ๊บก็อ้างอย่างอื่นเนี่ยร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่ากิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะตอนนี้มันครองโลกอาวุธนิวเคียก็กิกเลสแต่ละสร้างขึ้นมาเห็นไหม แล้วยังไงตอนนี้มันวิตกทุกเพราะกลัวอาวุธหนูเคียฉันก็กลัวเธอเธ อ, อก็กลัวฉันเห็นไหมหวาดผวาไปหมดเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตนะพระพุทธองค์ไม่ได้สอนวิชาอื่นสอนให้เรารู้ชีวิตไม่ใช่ชีวิตชาติเดียวนะพระองค์สอนให้เรารู้ชีวิตในวัฏฏะสงสารอยากก้าวหน้าต้องถอยเข้าไปข้างใน ไปสาสารคดีความเราข้างในนิพพานไม่ได้อยู่ไกลตัวเราก็ไม่อยู่ใกล้ตัวมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วทุกดวงจิตมีพุทธจิตอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมุ่งมั่นเข้าไปหามันบังเอิญพรอครูใช้คาว่าบังเอิญถ้าไม่บังเอิญคงไม่เกิดขึ้นคนอย่างพรอครูเนี่ยดื้อ ไม่เชื่ออะไรไง่ายๆเรื่องมาพูดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมไล่นีไปหลายคนสินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทั้งหมดถ้าไม่บังเอิญมันไม่หักคอพ่อครูไม่ฟันคอพ่อครูทิ้งเนี่ยจะได้มานั่งอยู่ที่นี่เหอเอาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพ่อครูใครใครตอบได้ยังไง ตอบได้ว่าทำไมเกิดขึ้นได้ยัง ไ, ไ, ไงเพราะกูไม่มีศีลไงไม่มีไม่มีศีลแบบนั้นแล้วทำไมหยุดชีวิตได้มันตรงหลักคําสอนตรงไหนตรงตรงที่สุดเลยคือวางส่วนหลักคําสอนอื่นมันเป็นข้ยอผิดย่อยหลักใหญ่ๆผู้เจ้าวางไว้แล้วนั่นมันเป็นความจริง แต่บางเืองาไม่ใช่ต้องไปทำเหมือนกันต้องใช้เวลาเท่ากันเรื่องนี้มันสะสมมาหลายชาติแล้วทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสชาตินี้สี่สิบปีก็กลัวไม่คงไม่ชั่วไรเลยมากไม่เคยไม่เคยเคฆ่าใครองคุลิมานยังฆ่ามาเก้ า, า้อยเก้าสบเก้าังไม่รู้ทำเลยเอาจจะว่าชั่วบ้างเนื่องจากว่าเที่ยวเตมไม่มีศีลห้า แต่ไม่เคยคิดรังแกใครแต่รู้หรือเปล่าพระกูทำดีล่าชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสหลายชาติแล้วไงนี่อะไรไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าอย่าไปมองเรื่องชาติเดียวถ้าเรื่องชาติเดียวทุกคนต้องมาดำเนินตาม 1,2,3,4,5 สองสามสีห้าผู้เจ้าเทศตรงไหนว่าตรงไห น, ต, ไหนต้องทำตามหมดเลยตายก่อน ถ้าความคิดแบบนี้ถูกต้องนางวิสาขาบรรลุโสดาบันเจ็ขวบไม่ได้เมนม้นบัณฑิตเจ็ดขวบบวกแค่8ปดวันเป็นอหรหันต์ไม่ได้พายยามไม่รู้เรื่องศาสนาเลยฟังทำครั้งเดียวบรรลุทำได้แล้วคนที่ทำตามผู้เจ้าร้อยเปอร์เซนเลยอย่างพระ อ, อนุนทำไมไม่บรรลุเกิเกิดไปไม่ทันนะรถบ่ว น, นขบวนสุดท้ายผู้เจ้าตัดอะไร หมดวัดปฏิบัติที่มูดดนุอมเห็นหมดรู้กับเพื่อนทำไมไม่บรรธรทมเอาเอรามาพูดถ้าจะต้องการบรรธรทมแล้วต้องไปท่องจำคำพูดของพระองค์ทุกคำพระผูู้คนนึบอกไม่ใช่ถ้าอนนเห็นไหมเอาวุโสที่สุดเลยพรุ่งนิช้าต้องเป็ น, ป, นประธานอดีญสมไม่ใช่ประธานสงนะ อัลัยสงต้องเป็นอลหาหันเท่านั้นคือนั้นปฏิบัติถึงสว่างเลยไปไม่ได้ไงรู้พระเจ้าแสดงคำบอกวิธีบทเลยหลายๆคนทำไมพระอนนททำไม่ได้รู้ไหมรู้หมดรู้มากกว่าเพื่อนหรือว่าใครประกาศตัวว่ารู้รู้มากกว่าพระอนุลลองสเสนอตัวสิ บรรลุการอากาศถามว่าสูตรไหนอยกรรมฐานสี่สิบหรือเปล่าเห็นไหมบรรลุการอากาศสูตรพระอนุนัยเราเรียนแบบได้ไม่ได้เห็นไหมเริงทิ้บางวนมันฟุบมันวางแล้วมันก็ว่างพระที่เด็เขาเขากราบแบบทิ้งตัวไปเลยบางทีมันฟุบมันวางการอากาศมันก็ว่างได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกคน จะเรียนแบบได้เรียนแบบได้แต่บรรลุหรือเปล่าไม่รู้บุนบารมีมันสร้างมาไม่เท่ากันมันไม่ใช่สูตรชนิดนั้นต้องทําวิธีนี้วิธีนี้แล้วก็ที่สําคัญคือว่าเราบังคับว่าทุกคนมาเหมือนเราเนี่ยเราไปกปดศักยภาพของจิตเดิมเขาบางทีเขาจบปริญญาโททางด้านวิศวะมาสมมติว่าสมมุตินะปริญญาโทหมายถึงสภาวธรรมเขาถึงขั้นนั้นแล้วสมมุติว่าปริญญาเอกนี่บรรลุอัลหันซะ ก็าุกมาหลายชาติปริยาโตมาใหม่ใช่ไหมมามานั่งชานหนึ่งชานสองชานสามชานสปฏิบัติทีละขั้นพวกครูเคยถูกว่านะผู้รู้บอกว่าก้าวกระโดดได้ยังไงมันต้องทีละขั้นพวกครูขึ้นบันไดก้าวกระโดดมันก็ตกลงมาก็ถูกแล้วต้องทีละขั้นแต่อย่าถามว่าปฏิบัติมาชานเท่าไหร่ถามว่าปฏิบัติมากี่ชาตินั้นแต่ทีละขั้นไง ถ้าไปไม่ถึงไม่เคยเห็นอดีตชาติตัวเองเลยก็มาพูดทีละขั้นก็ทีละขั้นไงจะ อ, อย่าไปนับชาติเดียวนะนับว่ากี่ชาติ พ, พ็ครูบอกแล้วคนอย่างพวกครูเนี่ยถ้าไม่มีของเก่าเลยไม่มีสิทธ์ไม่มีสิทธ์เลยเล่ะองคุริมาเหมือนกันถ้าไม่มีของเก่ามีสิทธิ์บรรลุธรรมไม่ใช่ฆ่าสัตว์นฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสบเก้าเขาก็เขียนให้ดูอยู่ อ้างบบว่าจดีเด็กก็อ่านมันมันหมดอ่า น, ม, น, ม, านมันหมดเลยทุกๆหมดสิเอาตัวหมดที่ตัวเองถนัดเอาตัวหมดที่ตัวเองเนี่ยจำเก่งแล้วก็เอามาพูดอันนั้นก็ไม่ได้ผิดคุณก็ทาของคุณแต่อยา่าไปว่าคนอื่นเขาผิดว่าคนอื่นผิดเนี่ยเราไม่ทำคำสอนพวะเจ้าแล้วเนี่ยไอ้การไปว่าเขาคุณก็สร้างบาปกรรมแล้วไงเพราครูได้พูดนะพูดที่รู้ไม่ได้ว่าใครแต่พูดบอกว่า มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ไอ้คนทั้งนอกเขาต่อสู้กันเพื่อจึงชนะกันไม่เป็นไรหรอกไอ้คนที่ขึ้นมาเหมือนเดิมมาสายรมแล้วเนี่ยไม่มีงานทำเนะ่ยหาเรื่องทะเลาะกันพรกคูวิ่ในป่าพวกคูดีๆก็วิ่งยุ่ในกัใครสหน่อยหนึ่งนะก็ถูกตั้งโจทย์ว่าไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าทั้งว่ามีอะไรไม่ใช่คำสอนหรอ ทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสมีมีอะไรบ้างที่สูนไม่ทำทำทุกวันยีห้าปีไม่มีแว้งกันหนึ่งวันไม่ทำคบองตลอดเห็นไม้มไม่ใช่ว่าปีหนึ่งไปเข้าคอรห้าวันเจ็ดวันไปแก้งขังกันแล้วอีกสาม้อยกว่าวันก็ไปสิ้นเขาบอกฉันรู้คำสอนพระเจ้าเธอรู้คำสอนพรเจ้าแต่เธอไม่ทำตามที่พระเจ้าทำ มีนจะแค่ได้อวดความรู้กันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรที่พั ก, กูเน้นเน้นเพราะว่ากระแสแรงมากพวกเราถ้าไม่ตั้งมัน่นหลุดเอาง่ายๆมันเสียดายชีวิตชีวิตกว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้เปริดเนี่ยต้องเรียนเรียนคิวกันถ้าทุกคนมีตาคิตนั่งข้างๆเรามีเต็มไม่หมดแล้วเทวดาก็จะรอเกิดแทนเรานะเทวดาไม่มีร่าง เขาจะเริ่มมหาสติปัฏฐานไม่ได้เขาต้องรับกรรมดีของเขาเนี่ยทุกข์มากที่ต้องเสพสุขวันสุดท้ายหมดกรรมดีเกิดมาเป็นมนุษก็แหกปากร้องอีกเทวดาร้องไห้ทําไมเห็นไหมสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่พ้นทุกข์เรามาปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสมบัติส่วนมันจะถึงเมื่อไห่ช่างมันอย่าถามว่าทําไมทําไม เวียงใหม่จริงสะกทำลูกเดียวถามมาทำไมมันเสียเวลาไปคิดวิเคราะห์มันไม่ใช่ของจริงมีแค่ความเห็นท่านนู้นเป็นความจริงได้ไหมเราหลงป่าตื่นช้ามาเดินเดินเดินเบื่อมากเลยกูเดินทําไมวะอจะรอเสือมากินเหรอรอไส้ย่หยป่าเหรอก็ไปหน้าที่เดินเนี่มันจะถึงอะไรก็ช่างมันอย่างจะไปถามมาทําไมเนาะเบียงใหม่จริงสะ ให้พ่อกูใช้คนเดียวทำเยอะๆทำเยอะๆเดินเดินบ่อยๆเหนื่อยแล้วก็พักทางสายกลางให้มันพอดีไม่ใช่ว่าเหนื่อยมากนะไม่กินไม่นอนด้วยเดินถึงสว่างเลยเดินด้วยไงได้ไปลงตกเหวตายตำหนามตาโน่นเนี่ยแล้วก็ต้องรักษาตัวเองอีกหลายวันก็ไม่ได้เดินอันนั้นมันไม่พอดีเหรอไหม เดินพอดีเช้าสายบ่ายเย็นนี้ก็มากพอแล้วนะเดินไปเรื่อยๆพอกลับบ้านทุกท่านต้องมีหน้าที่การงานคงไม่มีโอกาสทาอย่างนี้ทั้งวันหรอกนะนะตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ำนะงานแรกเราเนี่ยทำเหมือนเรียนแบบสุนัขหน่อยนะสั่นสะเทือนเช็คกินงเขาเรียกว่าเวกอัพ สติสมาธิเราตื่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็ดสัก5้านาทีเจ็ดนาทีพอนะแล้วก็ทำหน้าที่การงานไปกลางคืนอาบน้ำเสร็จถ้ายังไม่อาบจิตเนี่ยอย่าพึ่งนอนแสดงว่าอาบน้ำไม่สมบูรณ์นะอาบจิตอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งทำไปเรื่อยๆเพราะว่ากลางวันเราไปทํางานแล้วเราก็เผลอปุ๊บดอารมณ์เข้ามา จิตเราเปื่อนตอลอดเวลาดีใจก็เปื่อนนะเสียใจก็เปื่อนตกใจก็เปื่อนเปื่อนหมดอ่ะเราก็อาบจิตนั่งเวียงหมุนมันออกไปเรื่อยๆนะนอกจากวันไหนวันหยุดมีเวลาเยอะก็ทํามันยาวหน่อยหนึ่งอย่าให้มันเปื่อนสะสมนะถ้าต่อไปมันขึ้นสนิมอีกเนี่ยกว่าจะมากระเทาะ อ, ออกอีกเนี่ยมันใช้เวลานานเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆบางทีเราทํางานอยู่มันระเบิดได้ทุกเวลานะไม่มีใครรู้หรอก สิ่งนั้นเราสั่งให้มันเกิดขึ้นไม่ได้แต่เขาจะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะเกิดขึ้นเราอย่าบังอาจใช้สมองโ ม, โม้เราไปสั่งให้มันเกิดขึ้นอย่าค้ากำไรเกินควรด้วยยอมจ่ายหนี้พยายามอย่าสร้างหนี้ใหม่แล้วก็ว่างปุ๊บก็ไปขัดเตาจ่ายหนี้เก่าข้า้งในเห็นไหมถ้าทำไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งถึงเวลาที่มันเหมาะสม เดี๋ยวธรรมะก็จัดสรรโอเควันนี้แค่นี้พอเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีลัตนาไตและสิ่งสักิสกทธทั้งหลายในสากลจั ก, กรวาลพรทั้งบุญบา ร, รมีที่เราร่วมกันพุกปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรผลนิพพานโดยไวเชิญ